ผู้ักดีกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรแห่งเกาะเดโลเลียยังมีราชาหนุ่มพระองค์หนึ่งนามว่าทิโอโดร์ทิโอดรรักผู้คนของเขาและจะทําทุกอย่างเพื่อให้ผู้คนของเขามีความสุขอยู่เสมอเดโลเลียเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจและร่ํารวยมาก มีพ่อค้าจากเมืองมากมายเข้ามาติดต่อค้าขายด้วยราชามักจะออกเดินทางไปในอาณาจักรพร้อมกับค่ารับใช้ที่พักดีจอนที่อดอจะปลอมตัวเป็นพ่อค้าเพื่อนเก่าของจอนชื่อเท็ดและพวกเขาจะออกสำรวจไปทั่วอาณาจักรสิ่งนี้ทำให้ที่อดอรู้ว่าจะทำยังไงให้ผู้คนของเขามีความสุขไงมาติ ว่า ง, งเท็จอห์นกำลังรอเจ้าอยู่เลยเขาเจอมาแล้วขอบคุณมาตี้พวกเราจับสัตว์ ร, ร้ายที่ทั้งไม่เกิดความวุ่นวายในอนาณาจักรได้แล้วละ่ะแต่ ข, ข้าขอบอกก่อนนะว่ามันน่ารำคาญนิดหน่อยนะโอเคอะไรเจ้านี่มันตัวอะไรข้าว่ามันคือตัวเฟรดเฮ้ เจ้าเรียกใครว่าเจ้านี่เอาข่าออกไปจากกล่องนี้นะข้าจะแสดงให้ดูว่าข้าคือตัวอะไรมันมันพูดได้โอ้ใช่เจ้าฉลาดเหมือนกันนั้นเนี่ยฮะข้าชื่อเฟรดดี้ข้าถูกเปลี่ยนเป็นเจ้าตุกตาขนปุยนี่จากจอมเวทชั่วร้ายอริสแตข้าแค่อยากออกไปหากินเองนะตนพวกเจ้าจับข้ามาปล่อยข้าออกไปเถอะนะข้าจะได้กลับไปหาพ่อมดเท่านั้นและให้เขาเปลี่ยนข้ากลับร่าง แต่ว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนเจ้าเป็นเฟอเร์เรตละ่ะข้าเคยทำงานให้ราชาเซเรีสเป็นช่างขุดทองน่ะราชาเซเรีสใช่แล้วชายคนนั้นให้อลิสแตร่ร่เวทมนต์ใส่เหล่าช่างขุดทองเพื่อให้หาทองทั้งหมดมาให้เขาในรูปแบบต่างๆนี่ทำให้ประชาชนยากจนและไม่มีความสุขอย่างมากเวทมนต์นั่นทำให้ข้าอ่อนแอและพยายามหนีออกมาแต่ก่อนที่ข้าจะหนีออกมาได้ อลิสแต่ได้พบค่าก่อนและเปลี่ยนให้ข่าเป็นแบบนี้โอ้นั่นเลวร้ายมากใช่แล้วล่ะข้าจะไปพบเขาและทำให้เขาต้องชดใช้เออได้สิให้ข้าช่วยนะเจ้าเหรอไหนล่ะกองทัพของเจ้าถ้าที่นี่มีใครที่จะช่วยข้าได้คงมิแต่ราชาเท่านั้นแหละข้าได้ยินมาว่าเขาเป็นคนดีมากข้าคือเอ่อเน ข้าว่าท่านคิดให้ดีก่อนนะเซเรียสเป็นศัตรูของท่านและพ่อท่านมาหลายปีถ้าจะไปที่นั่นแล้วจะสู้จริงๆงั้นเหรอไม่ต้องห่วงนะจอนเขาไม่มีทางรู้แนะ่เฮ้พวกเจ้าซุบซิบอะไรกันอยู่นะะโอ้ oh, ไม่ต้องห่วงนะข้าชื่อเท็ส่วนนี่จอนพวกเราจะช่วยเจ้าเอง เทเลจอนนำเฟรดดี้กลับไปยังปราสาทและไปะยังห้องของราชาถึงแล้วพวกเรามาทำอะไรกันที่นี่ถ้าเกิดราชาเห็นขึ้นมาล่ะพวกเราจะทำยังไงเออไม่ต้องห่วงหรอกเฟรดดี้ฮะสวัสดีเฟรดดี้ยินดีที่ได้พบฝ่าบาท ประทานโทษด้วยที่มายังห้องของท่านเฟรดดี้นี่ข้าเองเท็ราชาทีโ อ, อรดแห่งเดโอนเลียโอโ อ, โอราชาของข้าข้าขอโทษด้วยกับสิ่งที่ข้าพูดกับท่านก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรจอนจะพาเจ้าไปยังที่พักนะพรุ่งนี้เช้าตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นพวกเราจะออกเดินทางกันได้เลย มาทางนี้เลยข้าหวังว่าราชาทีออร์จะรู้ว่าต้องทำยังไงข้าสงสัยจริงๆว่าพวกเราจะผ่านประตูไปได้ยังไงข้ามีแผนดีดแน่นอนราชาเซเรยตโปรดปรานทองมากเลยพวกเราปลอมตัวเป็นช่างทองและหลอกล่อเจ้าหญิงไปที่เรือจากนั้นก็เสนอให้ราชานั้นเปลี่ยนข้ากลับไปเพื่อแลกตัวกับเจ้าหญิงไงเฟรดี้อธิบายแผนทั้งหมดให้จอนฟัง ตอนค่อนข้างที่จะชอบมันเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาไปที่เรือและบอกแผนกับราชาทิโอโดขณะที่ล่องเรือไปยังอาณาจักรแห่งทองพวกเราแลเรือล่องไปยังทะเลที่ไม่รู้จักพวกเราจะพาเจ้านขึ้นมาบนเรือและพวกเขาจะเปลี่ยนข้าเข้าไปกันเถอะข้าเริ่มหิวแล้ว โอ้นั่นอะไรกันนั่นภาบวาดของเจ้าหญิงเนอะเจ้าหญิงโซเฟียนางเป็นผู้หญิงที่งดงามที่สุดที่ข้าเคยพบมาเลยในชีวิตนี้ตอนนี้ข้าอยากพานางกลับไปอาณาจากักรแล้วใช้เวลากับนางข้าจะทําให้นางเป็นราชินีของข้าคันดินข้ามองเห็นอาณาจักรแห่งทองแล้วฮ่าฮวิเศษไปเลย ทั้งสามคนขึ้นไปบนปราสาทและเข้าไปในห้องราชสำนักข้าเแรงว่าจะให้โบจันเขาไปไม่ได้นะขอรับเรามามอบของขวัญให้เจ้าหญิงและราชาโอ้งั้นรอเดียวนะข้าเขาไปแจ้งท่านราชาก่อนขอรับเอาอยัางไงต่อดีเฟร็ดดี้ ในขณะที่จอและเท็ดกำลังรอที่จะพบราชาและเจ้าหญิงเฟรดดีด้ดดย ว, วิ่งไปยังที่ห้องพักของพ่อมดและหาทางเปลี่ยนร่างกลับอยู่ไหนกันนะคาาของเขาอยู่ไหนไหนดูสิใครมากันฮะวิง่งยังเร็วไม่พอนะฟรด หนที่สุดข้าก็ได้เจ้าแล้วไม่ไม่ไม่ไม่เอากองอีกแล้วราชาเซเรียสและเจ้าหญิงโซเฟียจะมาพบกับพวกเจ้านะโอตอนนี้ล่ะไปกัะเถอจอนยินดีที่ได้พบฟาบาดฟาบาดสังทองพวกนี้ขอเขอ้าพบกับท่านพระยาค่ะ ยินดีต้อนรับช่างทองมักจะมาที่อาณาจากักรของข้าอยู่เสมอเลยเนะนี่สาหรับเจ้าหญิงขอรับโอ้ว้าวมันสวยมากๆเลยล่ะของนางฟ้าก็เหมาะสำหรับนางฟ้าพวกเรายังมีของประดิษฐ์จากทองคำอีกมากมายบนเรือท่านหญิงท่านสามารถไปเลือกพวกมันบนเรือได้เลยนะท่านหญิง โอ้ให้ข้าไปนะคะท่านพอ่อได้โปรดละนี่จะบ้าหรือไงข้ามายองให้เจ้าไปกับคนแปลกหน้าแนะ่ไม่โอ้ได้โปรดนะท่านพอ่อมันจะทําให้พอนะ่ออะมีทองมากขึ้นอีกนะได้โปรดละโอ้ก็ได้ก็ได้แต่ว่าอย่าไปคนเดียวนะเจ้าไปที่เรือกับเจ้าหญิงด้วยนะได้ขอรับฟาบาท ฟาร์บาท่านเห็นเฟรดดี้บ้างไหมเขาหายไปไหนแล้วนะโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกจอร์ดเดี๋ยวเขาก็กลับไปที่เรือดังนั้นเทลละจอร์ดจึงพาเจ้าหญิงกลับไปที่เรือราชาเรียกรัฐมนตรีของเขามาเพื่อให้ไปสืบว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนชายคนนั้นน่ะเป็นใครกันแน่นะทำไมข้าถึงรู้สึกคุนๆว่าเคยจอเขามาก่อนได้ครับฟารา์บ ในขณะเดียวกันเจ้าหญิงมีความสุขมากที่ได้เห็นสิ่งประดิษฐ์จากทองมากมายโอ้ว้าวสวยมากๆเลยล่ะ้าอยากได้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยนะเพราะว่าพวกเราจะขนย้ายมันในเร็วนี้ตามประสงค์ฟาบาทแผนไปได้สวยเลยฟาบาทใช่แล้วไม่มีเวลาแล้วตอนนี้พวกเราต้องไปแล้ว แล้วเออเฟรดดี้เหรอไม่มีเวลาแล้วไปกันเถอะนี่มันดียิ่งกว่าห้างขายทองจะอีกเนะ่มีของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยละแล้วทหารของข้าหายไปไหนนะอะไรกันนะ่ไม่ช่วยด้วยเ ท, ท็ดไปหาเธอและอธิบายสถานการณ์ทุกอย่างให้เจ้าหญิงฟังเขาบอกว่าจริงๆเขาเป็นใคร และบอกเกี่ยวกับคาถาที่เฟรดดี้และคนอื่นๆในอาณาจักรโดนโอ้เจ้าหญิงข้าตกหลุมรักท่านในแรกพบเลยท่านช่วยเพื่อนของข้าแล้วมาเป็นราชนีของข้าได้ไหมเจ้าหญิงใจอ่อนลงและเธอตกลงที่จะช่วยราชาที่โอดอข้าไม่รู้เลยว่ามีคาถาแบบนี้มันน่ากลัวมากข้าจะส่งสารไปเองเมื่อเราไปถึงที่นั่นนะทหารเห็นเรือเล่นออกไป เขารีบไปรายงานราชาราชาโกรธอย่างมากอะไรนะข้าต้องรู้ให้ได้ว่าชายคนนั้นเป็นใครกันแน่นะอ๋อดูดูดูเหมือนเรือนั่นจะเป็นของราชาทีออดอแห่งเดโลเลียราชาทีออดอรนักเวทยอยู่ไหนข้ายาจะพบเขาเดี๋ยวนี้เลยราชามายัางที่พักของพ่อหมดและบอกว่าเกิดอะไรขึ้น เขาสั่งให้พ่อหมดไร้คาถาใส่เรือเพื่อ น, นําเจ้าหญิงกลับมาฟาบาทข้ามีสุดยอดคําสาบสงคาถาที่จะทำลายราชานั่นได้เ <c oughs> จ้าจัดการได้เลยอย่างแรกเมื่อเรือกเขาเขาเขา้าฟังจะมีหมาเหกน่าจวงมารอรับเมื่อเขาควบำหมาตัวนั้นมันก็จะพาเขาวิ่งห น, นีไปวิ่งห น, นีไปเรื่อยจนเขาไม่กลับมาอีกเลย วิธีเดียวที่จะหยุดได้คือต้องมีคนบอกเรื่องมาจะหให้ไปกับราชค่ะแต่ถ้าเขาบอกเขาจะถูกแข็ ง, ขงตลอดการเลยวิเศษไปเลยและถ้ามันไม่ได้ผลลวก็ก็ยังมีคำสาบที่สองอยู่มันคืออะไรเหรอท่านจะนำเสื้อโค้ทองคำตัวนี้ไปมอบให้เขาเพื่อขอสงบศึกและเมื่อเขาใส่มัน เขาและผู้คนในอาณาจักรเขาจะกลายเป็นหินหาใครบอกเขาเกี่ยวกับคำสอพวกนี้พวกเขาก็จะกลายเป็นหินด้วยทันทีเลยดีมากอลิสปาพวกเราไปที่ท่าเรือกันเถอะอ่อไม่นะข้าต้องหาทางไปเตือนพวกเขาคาถาของเขาข้าต้องไปถึงมันก็ได้แล้ว แต่มันมันใช่ยังไงกันนะเออจงเปิดเซซังม่อ่าได้ผลแฮะสารสิมสารสุ่มฮ่าวิเศษไปเลยตอนนี้เขาต้องไปเตือนจอนก่อนแล้วล่ะเฟรดดี้แกงคาทาไปมาเขาหายตัวไปในทันทีท่ามกลางกลุ่มควันในขณะเดียวกันเรือได้ล่องมาถึงเดโลเลียราชาเรียกคนส่งสารมาและส่งสารไปยังราชาเซเรียส ข้าวังว่าเฟรดดี้จะไม่เป็นไรนะไงจอนนี่เจ้าเป็นใครเหรอข้าเองเฟรดดี้นี่ฟังนะพวกเราไม่มีเวลาแล้วราชาสั่งให้เจ้าปีศาจอลิสแต่เฟรดดี้เล่าทุกอย่างที่เขาได้ยินกับคํำสาปของพ่อมดให้จอหนฟังเขายังบอกอีกว่าถ้าใครบอกเรื่องนี้กับราชาจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นหินในขณะที่เฟรดดี้กําลังเล่าให้จอนฟัง ม้าที่สง่า ง, งามได้เดินตรงเข้ามาหาราชาเอาล่ะม้าที่ยอดเยี่ยมตัวนี้จะพาพวกเรากลับไปที่วังในขณะที่เขากำลังจะควบมา้าจอนได้เคาะ้องที่เขาถือไว้จนเสียงดังนี่ทำให้ม้าตกใจกลัวแล้วิ่งหนีเข้าไปยากคอยมากทำไมจอนทำกับราชาเช่นนี้ไม่เป็นไรจอนเป็นคนรับใช้ที่พักดีที่สุดของข้า ข้ามั่นใจว่าเขามีเหตุผลที่ต้องทำอย่างนั้น<ๆ>เพื่อรักษาความปลอดภัยของราชาอู้เกือบไปแล้วสิราชาและเจ้าหญิงมาถึงพระราชวังคนสงสารมาพบจอนและบอกเขาว่าราชาเซริสมาที่นี่แล้วเขาอยู่ที่นี่งั้นเหรอใช่แล้วท่านเขาบอกจะเข้ามาที่นี่และมอบของขวัญให้กับราชาและเจ้าหญิงแปลกมากเลยสวัสดีราชาทีโอโด ยินดีที่พบท่านยินดีเช่นกันข้ามาเพื่อมอบกองขวัญให้ได้ปรลรับชุดโคตสีทองตัวนี้ดูมันเป็นประเพณีของครอบครัวข้าที่เจ้าบ่าวจะต้องใส่เสื้อโคด ต, ตัวนี้เพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งมันสืบท อ, อดกันมาหลายรุ่นแล้วว้าวสุดยอดไปเลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งลองดูสิลองสวมมันดู เมื่อราชาทีออดอ๋อกำลังจะสวมชุดโคดทองคําจอร์นรีบเข้ามากระชากโค้ดออกจากแขนของเขาและคว้างมันทิ้งไปจนเกิดประกายไฟและควันขนาดใหญ่ออกมาจากเสื้อโคดนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเจ้า ก, กล้าลบหลู่มรดกครอบครัวข้างั้นเหรอนี่มันเหยียดหยามกระทัดทัดเลยเนะท่านจะเพิกเฉยกับการที่เขาลบหลู่มรดกครอบครัวของพวกเราอย่างนั้นเลยราชาเขาพูดถูกแล้วจอรน ข้าคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้โทษสูงสุดกับเจ้าข้าขอสั่งให้เจ้าถูกในระเทศออกจากอาณาจักรเดโลเลียตลอดชีวิตไม่นะทั้งหมดเป็นเพราะข้าเองถ้ามีใครต้องไปคนนั้นควรเป็นข้าฟาบาทข้าคิดว่าข้าต้องบอกทุกอย่างกับท่านแล้วว่านี่มันเรื่องอะไรไม่ไม่ข้าจะไม่ให้เจ้ารับผิดเรื่องนี้แน่กลับไปใช้ชีวิตของเจ้าซะเถอะและก่อนข้าจะไป ขอข้าพูดอะไรสักหน่อยได้ไหมได้เอาสิทุกอย่างที่ข้าทำก็เพื่อช่วยท่านจคกคำสาบที่ราชาเซเรียสใช้ใส่ท่านมาที่ถูกไล่ไปพร้อมกับเสียงค้องนั่นเหตุผลก็เพราะว่ามันจะพาท่านวิ่งหนีไปไกลจนกลับมาไม่ได้อีกและชุดโคดสีทองตัวนั้นมันไม่ใช่มรดกสืบทอดหรอกโคดนั้น ถ้าท่านสวมมันมันจะเปลี่ยนท่านและผู้คนในอาณาจักรทั้งหมดให้กลายเป็นหินทั้งหมดนี้ข้าทำเพื่อท่านราชาของข้าข้าขขขโอไม่นะจอนข้ารับใช้ผู้พักดีที่สุดของข้าข้าทำอะไรลงไปเนี่ยเฮ้อเฮ้ออ ท่านพ่อท่านถ้าบระสุด ล, ลงไปนู่เหมือนว่าเขาจะหนีไปแล้วนะโอ้จอร์นตอนนี้เจ้าคงจะโอ้เดี๋ยวนะข้ามีคาถาของอลิสเต่ทำไมข้าถึงคิดไม่ได้นะเฮ้ยสาะซุ่มสารสิมชีวิตที่เสียสละจงคืนเขากลับมาและด้วยสายลมจอร์นผู้พักดีได้ลืมตาของเขาขึ้นและกลับมาเป็นปกติอีกครั้งโอ้ขอบคุณมากนะเพื่อนของข้า เล็กน้อยนะกับเพื่อนที่ช่วยข้าทุกอย่างแบบนี้และข้าก็ด้วยนะเจ้าเป็นคนที่พักดีที่สุดที่ข้าเคยเจอมาเลยจากนี้ไปเจ้าไม่ใช่คนใช้อีกแล้วเจ้าเป็นเพื่อนข้าข้ามีเงื่อนไขข้อนึงถ้าท่านเปลี่ยนเฟรดดี้ไปเป็นเฟริสอีกรอบแล้วก็ พอแล้วมั้งเพื่อน